วันนี้โยมเยอะเนาะมันที่นี่ไม่ได้เตรียมรับญาติโยมมากขนาดนี้อานะตมามาอยู่กะว่ามาภาวนานะะกะมารับญาติโยมดรเซรเชัที่แรกมาอยู่แรกๆปีแรกบางวันมีคนสองามคนไม่มีคนคนระูบาอาจารย์อาจารย์สุจินท์เาบอกว่าทำให้ทำไมใหญ่นะ ไม่มีคนอยู่อยู่มาได้สามสี่ปีมันเต็มแล้วเลต้องยายที่นี่ขยายไม่ออกแล้วแต่เดิมมาไม่กี่คนนะวันหนึ่งเราคุยกันได้อย่างใกล้ชิดธรรมะเรียนกันด้วยการเข้าไปสัมผัสกันตรงๆเรียนกันทีละคนสองคนนะแต่พอมาถึงวันนี้คนเยอะหลวงพ่อพูดด้วยทีละคนไม่ทั่วล้ไม่ทั่ว แต่ก็มีสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้หลวงพ่อทำซนะีดีเนี่ยคุณคุณโยคนทำซีดีให้อัดไปเรื่อยๆนะฝากพวกเราไปอ่านให้ไปฟังนะหนังสือมีให้อ่านซีดีก็มีให้ฟังพยายามฟังมากๆฟังไปถึงจุดหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาซีดนะี CD หลวงพ่อไม่ได้ฟังแบบปริยัตไม่ให้ฟังเพื่อให้รู้เรื่องเนื้อหาว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ฟังจนกระทั่งจิตของเราจะตื่นขึ้นมาเกิดความรู้สึกตัวเนะมื่อจิตของเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตนเองตามความเป็นจริงได้เมื่อเรารู้กายรู้ใจตัวเองได้แล้วเนี่ยกายกับใจนี่แหละจะเป็นครูที่สอนธรรมะพวกเรานะไม่มีใครจะสอนธรรมะพวกเราได้นะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือสอนให้เราหัดรู้จัก รู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยกายกับใจนี่แหละคือครูที่แท้จริงของเราแต่ละคนแต่ละคนกายจะสอนให้เราเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจจะสอนให้เราเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงจิตใจจะแสดงความไม่เที่ยงสังเกตดูจิตใจของเราแต่ละคน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อให้มันดีถาวรให้มันสุขถาวรคําว่าถาวรนั้นขัดกับคําว่าอนิจจังการที่คิดว่าเราจะทํามันให้ได้บังคับมันให้ได้จัดการมันให้ได้ขัดกับคําว่าอนัตตาซึ่งแปลว่าบังคับไม่ได้การที่จะทําจิตซึ่งมันเป็นตัวทุกข์ให้เป็นตัวสุขนี่เป็นไปไม่ได้ เนะพราะขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะให้มันกลับมาเป็นตัวสุขนะต้องค่อยๆศึกษานะเข้าใจยากนิดนึงนะค่อยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเราก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงนะใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดตรงที่จิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจ ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เกิดจากการที่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้มันสุขถาวรให้มันเที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นตัวสุขไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงเราจะปล่อยวางความยึดถือแล้วเราจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตให้ดีท่านจะเริ่มต้นธรรมะเนี่ยท่านเริ่มต้นจากทุกข์ก่อนเราะพระพุทธเจ้าสอนสัจธรรมอันแรกของต้าอริยะเร่องอริยสัจนะนะ ความจริงของพระอริยะความจริงที่ทำให้คนกลายเป็นพระอริยะข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรเนี่ยท่านบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์นะได้การต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ฟังดูแล้วทุกข์มีเยอะแยะแต่ท่านก็กลัวว่าพวกเราจะเข้าใจผิด ไปหาทางทำสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นตัวสุขขึ้นมานลงท้ายก า, การสอนทุกของท่านท่านเลยขมวดลงที่คำว่าว่าโดยย่อแล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์กายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนัะ้นไม่ใช่ฝึกเพื่อให้กายกับใจกลายเป็นตัวสุขทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ล ะ, ะให้รู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเราละเลยการรู้กายรู้ใจแล้วก็เรียกว่าเราไม่ได้ทำวิปัสนาแล้วนะไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหน้าที่ของเราต้องรู้กายต้องรู้ใจรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อให้เห็นความจริงนะรู้ไปจนเกิดปัญญาคือรู้ความจริงเกิดความเข้าใจเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ไดนะ้เมื่อเรารู้ว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงๆในโลกนี้นะ สิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆคือรูปธรรมกับ น, นามธรรมที่มันมารวมตัวกันอยู่ชั่วคราวกายกับจิตนี้มันรวมรวมตัวกันอยู่ชั่วคราวเราก็เกิดสำคัญมั่นหมายว่านี้คือตัวเราเนี่ยให้เรามาเจริญสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งเกิดสัญญารู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบันนะ ผู้ที่เห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราเรียกว่ามีสักกายอทิตฐิมีความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราเพราะงั้นเราปฏิบัติจนเราละความเห็นผิดเรารู้ว่าตัวเราจริงๆนะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมารวมกันชั่วคราวรูปธรรมและนามธรรมที่มารวมกันเป็นตัวเราเนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เมื่อเรารู้ความจริงว่ากายกใจไม่ใช่เราเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้ว สมุทไทยคือตันหาจะถูกละไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกละตันหานะไม่ได้ฝึกเพื่อทาลายตันหาตรงๆนะไม่ใช่จิตมันอยากก็ฝืนมันจะทำให้ไม่อยากอันนี้นไม่ใช่นะวิธีทาลายตันหาเนี่ยก็ ค, คือการรู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ทุกข์แขียแจ้งตันหาจะถูกละไปโดยอัตโนมัติเหมือนท่านสอนบอกให้รู้ทุกข์ให้ละตันหาให้ละสมุทไทย นะแต่วิธีละสมุทยัยไม่ใช่นึกนึกละเอาไม่ใช่บังคับใจตัวเองละเอานะเช่นอยากดูหนังนะฝืนใจละไม่ยอมไปดูมันก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นการข่มใจแต่ก็ยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้ๆนะถ้าตัววิปัสสนาแท้ๆเราจะดูลงที่กายดูลงที่ใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีเมืนะ่อตัวเราไม่มีความอยากที่จะให้ตัวเราเป็นสุขเนี่ยจะหายไปความอยากที่จะให้ตัวเราค้นทุกข์จะหายไปตัณหามันจะดับไป ทุกวันนี้ที่มีตัณหาสังเกตให้ดีตัณหาของเราก็คือจะดิ้นหาความสุขจะดิ้นรนให้มันพ้นจากความทุกข์จะให้กายใจนี้มีความสุขจะให้กายใจนี้พ้นจากความสุขดิ้นอยู่เท่านี้เองแต่ละวันแต่ละวันนะอย่างดิ้นรนจะไปดูหนังฟังเพลงก็งเพื่อจะได้มีความสุขเนี่ยดิ้นรนจะไปจีบสาวๆก็เพื่อจะมีความสุขนะหรือว่าไม่สบายดิ้นรนทุรนทุลายอยากให้มันหายเจ็บป่วย ดันที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทําไมต้องดิ้นรนหาความสุขต้องดิ้นรนหนีความทุกข์ก็เพราะว่าคิดว่ากายกับใจนี่คือตัวเราเมื่อมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไ ร, ร่รู้ด้วยปัญญาจแจ่มแจ้งแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะปัญหาคือความอยากจะหาความสุขอยากจะหนีความทุกข์นี่มันจะหมดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อตัณหาดับไปแล้วเราจะเข้าถึงนิโรธนิโรธหรือนิพานนิโรธหรือนิพานไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่โลกอีกโลกหนึ่งนะถ้ายังเป็นเมืองเป็นโลกอยู่ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์อีกนิโรธหรือนิพานก็คือความดับสนิทของตัณหานั่นเองถ้าเมื่อไรจิตใจของเราหมดความอยากหมดความพยานอยากจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขคาว่าสันติสุขนั่นแหละคือคาว่านิพานนั่นเอง ราพิธรรมสอนไว้ชัดๆเลยนิพพานนั้นมีลักษณะที่เป็นความสันตินะเรียกว่ามีสันติลักษณะคือมันสงบสุขนะจิตใจที่มันเลิกเร่าร้อนเลิกทุรนทุรายมันจะเข้าถึงความสงบสุขนะงั้นมันเลิกเร่าร้อนเลิกทุรนทุรายได้เพราะมันเห็นทุกมันรู้ว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเรานะการที่เราคอยรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจนะจนกระทั่งมันละความอยากได้ เมื่อหมดความอยากจิตก็เข้าไปสัมผัสสันติสุขได้การกระทําเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่ามรรนี่คืออริยสัจสี่อย่างย่อยๆนะเริ่มจากทุกข์ทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจของเรารู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้ไปจนเห็นความจริงในขั้นสุดท้ายมันจะปล่อยวางความยึดถือในความเป็นตัวเรานะขั้นแรกมันจะละความเห็นผิดว่าเป็นเราซช ก, ก่อนเรียกว่าพระโสดาบัน ท่านสุดท้ายมันจะละความยึดถือกายยึดถือจิตตนเองเป็นพระอระหันต์นี่คำเรียกเหล่านี้เป็นคำสมมุติทั้งสิ้นนะงั้นหน้าที่เรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญมรรคฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์นะเคยสอนหลวงพ่อมานะท่านอาจารย์มหาบัวเคยสอนมานะท่านบอกว่าการปฏิบัติทำเนี่ยนะให้มีสติ รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันท่านสอนอย่างนี้เองก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้กายรู้ใจตนเองการเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าดูให้ดีก็คือเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยไม่ใช่สอนให้เราไปรู้นิพพานนะหลายคนมารุ่นหลังๆนี่เริ่มแปลคาสอนของพระพุทธเจ้าคลาดเคลื่อนพยายามจะไปดูสุญญาตาบ้าง ไปหามาหาสุญญาตาจะไปดูจิตว่างจิตหนึ่งนะจะไปดูนิพพานไม่มีใครสามารถเอานิพพานหรือเอามาหาสุญญาตามาทำวิปัสสนาได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นต่างหากถ้าเราไปคิดถึงนิพพานคิดถึงความว่างเรียกว่าอุปสมานุสติเป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งใจสงบใจสบาย ถ้าเราน้อมใจเข้าหาความว่างเป็นการทำสมถะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารูปฌปานงั้นหน้าที่เราไม่ใช่ไปยุ่งกับความว่างความว่างทั้งหลายเป็นปลายทางต้นทางอยู่ที่การรู้กายรู้ใจตนเองข้อแรกเลยนะทุกทุกคือกายกระใจหน้าที่ต่อทุกคือการรู้สมุทัยคือความอยากของ จ, จิตใจความทุรนทุรายนี่านสุดท้ายเราต้องละมันให้ได้แต่วิธีละมันก็คือการรู้ทุก นิโรธคือนิพพานคือความเป็นสงบสันติปราศจากตัณหาจิตใจหมดความหิวโหยเล่าร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตัณหามันดับจิตใจก็เลยหมดความทุรนทุรา ย, ยตัณหาดับได้เพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่คืออริยมรรคทั้งหมดเลยะการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ่มแจ้งนิโรธนี่แหละคืออริยมรรคและหน้าที่เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะ นี้บางคนก็เริ่มมีปัญหาว่าจะเริ่มจากไหนจะรู้กายก่อนหรือจะรู้ใจก่อนอันไหนถึงจะถูกอันไหนก็ได้นะถ้ารู้ถูกต้องรู้กายถูกต้องก็จะรู้ถึงจิตใจรู้จิตใจถูกต้องก็รู้กายสองอันนี้มันเนื่องกันอยู่รู้อันใดอันหนึ่งก็จะรู้อีกอันหนึ่งเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหยิบเอาด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็ติดมาด้วยนี่วิธีรู้กายกับรู้ใจแตกต่างกันนิดหน่อยก่อนจะรู้กายได้เนี่ย ควรจะทำสมาธิซะก่อนเพราะงั้นครูบาอาจารย์ปัดป่าทั้งหลายนี่ท่านท่านจะทำสมาธิทิ้งสมาธิไม่ได้เพราะพระอริธรรมท่านก็สอนอย่างนั้นท่านสอนว่ากายานุปัสสนาเหมาะกับสมถียานิกเพราะฉนั้นทำจิตให้สงบจิตเป็นหนึ่งเช่นเราหัดพุทโธพุทโธไปพุทโธไปแล้วเราก็เห็นว่าพุทโธ ท, ที่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนื่อจิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมา หรือหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆนะใจเราเป็นคนรู้คนดูถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันจะแยกเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูออกมาพอเราทำสมาธิจนเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยการรู้กายต่อไปได้เราจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเลียวซ้ายแลกว่าเนี่ยเป็นของที่จิตไปรู้เข้า เป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่ภายในมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นรูปธรรมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้นะถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าทำไม่เป็นไม่ทำสมถะให้จิตตั้งมั่นก่อนอยู่ๆก็เข้าไปรู้กายนะเช่นไปรู้ลมหายใจเลยก็จะไปเพ่งลมหายใจบางคนไปดูท้องของยุบจะไปเพ่งท้องบางคนเดินจงกรมดูเท้านะยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งเท้า บางคนขยับมือนะบางท่านขยับมือทำจังหวะเคลื่อนไหวมือจิตก็ไปเพ่งมือมีแต่เรื่องเพ่งทั้งหมดเลยนะบางคนรู้อิริยาบทสี่ยังอุตสา์เพ่งอิริยาบทสี่ได้อีกนะเพ่งกายทั้งกายใจจะแข็งทื่อๆอยู่นั้นเองเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ใช่ไปเพ่งกายนะการปฏิบัติถ้าจะรู้กายเนะี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กาย แยกกายกับจิตออกจากกันก่อนเรียกแยกรูปกับนามแยกรูปแยกนามเรียกนามรูปปริเทยานแยกกันนะกายก็อยู่ส่วนหนึ่งกายนี่ยืนเดินนั่งนอนพูดเหยียดเหลียวซ้ายแลกวาไปใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหลียวซ้ายแลกวาไปได้ตามที่จิตมันสั่งนะแล้วต่อไปเราก็จะรู้เท่าทันจิตนะจิตมันเป็นคนสั่งกายเนี่ยนะ แล้วก็จะเห็นต่อไปอีกเดี๋ยวก็จิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเนี่ยจะเห็นต่อไปเข้าไปถึงที่จิตอีกในที่สุดก็รู้แจ่มแจ้งทั้งกายทั้งจิตรู้ว us, us, ่ากายนี้เป็นทุกข์ร้อนร้นกายนี้เป็นก้อนธาตุ<ก>ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาด้วยการเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุ 35. จิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาด้วยการที่เราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก นะห้ามไม่ให้โลภห้ามไม่ให้โกรธห้ามไม่หลงห้ามไม่ให้หลงทำไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะอันนี้สำหรับคนที่จะเริ่มจากการรู้กายนะอย่าทิ้งสมาธิต้องมีสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้กายเห็นกายเคลื่อนไหวผู้เย็ดไปแต่สำหรับคนที่จะดูจิตนะยังไม่ต้องเริ่มจากการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าสอนง่าย ดูก่อนที่สู่ทั้งหลายถ้าจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอยังงั้นทำไมไม่ต้องทําสมถะก่อนถ้าทําสมถะก่อนจะไม่มีจิตเหล่านี้ให้ดูอย่างจิตเราฟุ้งซ่านอยู่พอเราทําสมถะมันจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูเพราะงั้นการดูจิตเนี่ยดูได้เลยพระอริธรรมถึงสอนบอกว่าการดูจิตเนี่ย นะมันเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกเป็นเส้นทางของคนที่เจริญวิปัสสนาเข้าไปเลยดูเข้าไปตรงๆนะดูยังไงถึงจะถูกต้องดูให้เห็นความจริงเลยนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโลกรธหลงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นแะค่สิ่งที่แปลกปลอมมาเท่านั้นเองจิตโดยตัวของมันเองผ่องไสโดยตัวของมันเองประพัสสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเอง เราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเป็นแค่สิ่งที่แปรปลอมเข้ามาในจิตในใจเท่านั้นเองเนี่ยเฝ้าดูไปอย่างนี้เฝ้าดูไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นเลยธรรมชาติรู้ล้วนๆเนี่ยมีอีกอันหนึ่งนะที่มันไม่สุขไม่ทุกข์อะไรธรรมชาติรู้ล้วนๆเนี่ยมีอยู่ต่างหากแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นิพพานนะเราก็ต้องเห็นต่อไปอีกว่ากระทั่งธรรมชาติรู้วันนี้หรือจิตผู้รู้อันนี้ ถึงจุดหนึ่งมันจ ะ, สะแสดงใจรักษให้ดูได้อีกมันไม่เที่ยงได้อีกนะมันเป็นทุกข์ได้อีกมันบังคับไม่ได้ได้อีกะถ้าเห็นอย่างนั้นจะปล่อยวางความยึดถือตัวจิตผู้รู้นี้ได้ถ้าปล่อยวางตรงนี้ได้ก็ไม่มีอะไรจะให้ยึดอีกแล้วพราะปล่อยมาหมดแล้วนี่มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าแล้วเราควรจะเริ่มจากการรู้กายหรือรู้จิตนะหลายคนนึกว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตอย่างเดียวหลวงปู่ดูลไม่ได้เป็นอาจารย์ชนิดนั้น หลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสอนตามจริตนิสัยของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านบางคนดูผู้ดูกายก็มีดูอวัยวะต่างๆนะดูผมดูกระดูกดูอะไรอย่างนี้ก็มีเพื่อทําสมถะนะบางท่านก็รู้เวทนาบางท่านก็ดูจิตหลวงปู่จะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่จริตนิสัยนี่ทุกวันนี้ไม่มีหลวงปู่จะสอนแล้วเราจะทํำยังไง เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็อาศัยตำรับตำรานะตำราทางพระศาสนาของเรายัางสมบูรณ์นะเพียงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ศึกษาในตำราจะสอนเอาไว้ชัดๆเลยว่าจริตของมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้ทำ ม, มิปัสนานี้มีสองจริตเท่านะั้นเรียกว่าตัณหาจริตและทิฏฐิจริตพวกเราไม่ค่อยได้ยินนะคําว่าตัณหาจริตและทิฏฐิจริต เราจะได้ยินแต่ว่าราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตเนี่ยจะได้ยินจริตหกอย่างนี้จริตหกอย่างนี้เอาไว้ทำสมถะนะไม่ใช่เอาไว้ทำมิปัสนานอย่างคนที่มีโลภะมีราคะจริตเนี่ยควรจะพิจณาอสุภะเนี่ยคนที่มีโทสะมากควรจะเจริญเมตตายกตัวอย่างคนที่มีโมหะมากควรจะทำอนาปนสติอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นเอาไว้ทำสมถะทั้งนั้นเลยแต่จริตเพื่อทํำวิปัสสนามีสองจริตอันแรกเรียกว่าตัณหาจริตคือพวกโลภมากอันที่สองเรียกว่าทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากแต่ละคนนี่จะมีจริตผสมไม่ใช่จริตเดียเด่ยวๆเพราะงั้นในใจเราสังเกตให้ดีเรามีทั้งความโลภมากมีทั้งความคิดมากนะงั้นเราสังเกตว่าอะไรเด่นคนที่โลภมากเด่นนะมีตัณหาจริตเด่น จะเป็นคนที่รักความสุขรักความสบายรักสวยรักงามนะรักความประณีตนะหรือว่ารักความสงบสุขเนะี่ยพวกพวกตัณหาจลิตพวกหนึ่งเนี่ยเที่ยวหาความสุขออกไปข้างนอกวิ่งพล่านพานออกไปข้างนอกนะหาของสวยมาดูหาเสียงเลอะเลาะมาฟังหาของอร่อยมากินอะไรนีนะ้หาสัมผัสนุ่มนวลนะอีกพวกหนึ่งชอบความสงบ พวกนี้ก็ตัณหาจริตเหมือนกันวันๆไม่อยากยุ่งกับใครอยากปิดตูตเข้าถ้าสงบของเราคนเดียวอย่างเช่นนั้นหนูเป็นต้นเใช่ไหมหายไปไหนละวอ๋อเนะี่ยอยากอยู่ในถ้าคนเดียวปิดบ้านนะนี่เรียกว่าตัณหาจริตนะพวกนี้ควรจะรู้กายนะเพราะกายเนี่ยมันจะฟ้องให้เราเห็นเลยว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะกายนี้ไม่ใช่ของสุขของสบายของสวยของงามมันจะละนิสัยรักสุขรักสบายลัสวยรักงามได้นะ งั้นคนที่มีตัณหาจริตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนี่ยควรจะรู้กายก่อนจะรู้กายอย่าลืมทําความสงบให้ใจตั้งมั่นเสียก่อนให้ใจเป็นคนดูกายนะไม่ใช่ไปนั่งเียงกายนั่งเี่งกายหรือนั่งคิดเรื่องกายยังไม่ใช่วิปัสนานะอีกจริตหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทำยังไงก็ไม่สงบอยู่แล้วนะหรือว่าตกขําไปทําสมาธินะสงบหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่ล้ นะหลายคนในห้องนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านค้ามข้ามสงบอีกแล้วนะเช้าขึ้นมาฟุ้งซ่านอีกแล้วรวมความก็คือทั้งชาติมีแต่สงบแล้วฟุ้งซ่านอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยนะพวกนี้ทําความสงบไม่ได้อยู่แล้วดูเข้าไปตรงๆเลยใช้สติปัญญารู้รู้ลงไปที่จิตที่ใจตนเองตรงๆเข้าไปเลยนะเมื่อเราเอาสมาธินําปัญญาอย่างพวกรู้กายไม่ได้แล้วก็ใช้ปัญญานําสมาธินะ ตามรู้ของจริงเข้าไปที่กายที่ใจอย่างเราเห็นเลยว่านิวรณ์เกิดขึ้นในใจเช่นการมาฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีสติรู้ทันนะนิวรณ์เหล่านี้จะดับเองเมื่นอนิวรณ์ดับซึ่งเป็นศัตรูของสมาธิดับไปแล้วเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นะมันไม่ใช่การน้อมใจเข้าไปให้สงบนะแล้วก็ข่มนิวรณ์ แต่เป็นการรู้ทันนิวรณ์จนนิวรณ์ดับแล้วจิตตั้งมั่นเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะงั้นเส้นทางเดินหลักๆนี่มีสองสายรู้กายกับรู้ใจพวกเราจะรู้อะไรก็เอาสักอันหนึ่งนะเริ่มต้นไปแต่รู้กายได้ก็จะรู้ใจได้ถ้ารู้จิตใจได้ก็จะรู้กายได้นี่อะไรเป็นศัตรูของการรู้กายรู้ใจตัวเองสิ่งที่เป็นศัตรูของการที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองมีสองอย่างเท่านั้นะ อันหนึ่งก็คือการหลงตามกิเลสไปเรียกว่าการสุขคันลิกานุโยคเป็นความสุดโต่ข้างไหลาตามกิเลสนะเวลาที่เราอยากดูเราวิ่งไปดูนะเช่นสมมุติว่านางงามจักรวาลมาเมืองไทยนะเราไปดูนางงามจักรวาลเราจะเห็นแต่นางงามจักรวาลนะเราไม่เห็นนะหนุ่มๆจะไม่เห็นว่าราคะกํากลังเกิดอยู่นะไปหลงรักเขาแล้วไปหลงชอบเขาลนะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติเราก็จะเห็นราคะมันผุดขึ้นมา ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกนะคอยรู้ลงไปในชีวิตประจำวันรู้ไปเรื่อยๆพอตามมองเห็นความรู้สึกเราเปลี่ยนเรารู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันนะจ ม, มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจมันคิดคิดไปเดี๋ยวก็สุขคิดไปเดี๋ยวก็ทุกข์ก็คอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันไหลไปมันหลงไปมันจะลืมกายลืมใจตัวเองนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาพวกเราที่ยังไม่เคยมาไม่เคยฝังลองสังเกตพระพุทธรูปในฐานเนี้ย ช่วยกันดูซิว่าทั้งหมดมีพระอยู่กี่องค์สังเกตให้ดีนะในขณะที่เราตั้งใจดูรู้สึกไหมเราจะลืมตัวเราเองนะอันนี้เรียกว่าหลงดูนะขณะที่เราไปดูสิ่งอื่นๆเนี้ยเราจะลืมกายลืมใจตนเองนะขณะที่เราตั้งใจฟังเราก็จะลืมกายลืมใจตนเองนะลองตั้งใจฟังเสียงนกนะวัดนี้นกเยอะลองฟังว่ามีนกกี่ชนิด ไอ้อนกวันนี้นะพอเรียกให้ฟังมันหยุดทุกครั้งนะตั้งแต่สร้างวัดมาแล้วนะมันไม่ใข้ความร่วมมือกับหลวงพ่อเลยสังเกตไม่เวลาเราตั้งใจฟังเนี่ยพอพอหยุดแล้วมันเอาอีกแล้วมห็นไหมเนี่ยสังเกตดูตอนที่เราตั้งใจฟังนะเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเอง งั้นเมื่อไหร่ที่จิตของเราหลงออกไปข้างนอกนะหลวงปู่ดูลเรียกว่าส่งจิตออกนอกเมื่อไร่ส่งจิตออกนอกเราจะไปรู้สิ่งอื่นๆเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะ <m uch testament> หรือเราไปนั่งคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ขณะที่เรานั่งคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะหลวงปู่ดูลท่านสอนบอกว่าอย ita, ่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าลืมกายลืมใจตัวเองนั่นเองนี้พวกเราบางคนหัวหมอนะ ได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกงั้นเราพากันส่งจิตเข้าข้างในหนะลวงปู่เทพอายุน้อยกว่าหลวงปู่ดูลหน่อยท่านเลยดักไวอีกทางไม่ส่งในด้วยไม่ส่งนอกไม่ส่งในส่งในก็คือถลำไปอยู่ในโลกของความคิดของเราเองนั่นเองนะสังเกตดูขณะที่เราไปหลงไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมกายลืมใจตนเองคุณรู้สึกไหมขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจ เมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปนะัสสนาละะเรียกว่าหลงไปลนะจิตมีโมหะเงั้นหน้าที่ของเราอันแรกเลยนะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหลงออกไปนะอย่าหลงไปข้างนอกอย่าหลงเข้าไปข้างในหลายคนปฏิบัติทำโดยจ้องเข้าไปข้างในนะจ้องจ้องจนลืมตัวเองนะมีแต่ความสงบนิ่งๆอยู่ข้างในนะนะนะอีกพวกหนึ่งนะสุดโตยอีกข้างหนึ่งก็คือการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยก การทำวิปัสสนานะั้นเรามีหลักว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราหลงไปเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้แต่ถ้าเราไปเพ่งไว้เราไปกำหนดไว้เราไปควบคุมกายคุมใจนะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะกายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเนี่ยศัตรูมีสองอันนะที่พระพุทธเจ้าบอกวความสุดโตกสองด้านบันทชิดไม่ควรเสพเนี่ยปฐมเทศนาเลยปฐมเทศนานี่เริ่มต้นด้วย จุดที่ว่าอย่าสุดโต่งสองด้านนี้เองถ้าจิตจิตไม่หลงไปสุดโต่งสองด้านจิตจะเข้าสู่ทางสายกลางโดยอัตโนมัติคือถ้าไม่เดินผิดเมื่อไหรเมื่อนั้นถูกอัตโนมัติดังนั้นถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อหลายคนถ้ามาเรียนานา น, านๆแล้วจะจับทางหลงพ่อได้หลวงพ่อไม่เคยสอนเลยว่าที่ถูกให้ทําอย่างไรไม่เคยบอกเลยว่าที่ถูกให้ทําอย่างไรคนที่มาฟังครั้งแรกอาจจะฟังแล้วตั้งใจฟังนะพยายามฟังให้ได้เลยว่าหลวงพ่อจะสอนให้ทําอะไร เยทำยังไงถึงจะถูกหลวงพ่อก็ไม่ยอมพูดสักทีเลยมีแต่พูดเรื่องเผลกับเพ่งเผลกับเพ่งนะหลงไปหรือบังคับไว้มีแต่พูดอยู่แค่นี้พูดแต่สิ่งที่ผิดไม่เคยสอนสิ่งที่ถูกเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทางที่ผิดเมื่อนั้นจิตมันจะถูกอัตโนมัติมันจะถูกของมันเองถ้าเมื่อไร่พยายามจะทําให้ถูกนะโลภะมันจะเกิดขึ้นแทนกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นแทนนั้นใช้ไม่ได้นะรู้จักใจร้อยอย่างคุณ เมื่อกี้นีจใจเป็นยังไง ร, รู้สึกไหมเราทรงใจไปดูไม่ใช่การรู้นะเป็นการที่ยังหลงไปดูอยู่นะค่อยๆสังเกต น, น, นะอดทนนิดหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อนะพวกเราเยอะเกินไปแล้วตอนนี้หลวงพ่อไล่สีละบผลไม่ไหวะใช้ความอดทนนิดหนึง่งฟังแล้วฟังอีกมาฟังเองไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะฟังไปเถอะแล้วตื่นรับรองนะซีดีหลวงพ่อไม่เคยได้ยินกัน่ว่าใครฟังแล้วหลับนะ มีแต่ฟังแล้วตื่นนะตื่นจริงๆไม่ใช่ตื่นเล่นเล่นไม่ใช่ตื่นแต่ตัวในใจมันตื่นขึ้นมานะทําอะไรอยู่หลงเข้าไปละอ้าวเดี๋ยวตรวจกันบ้านหน่อยนะบรรยายรวดเดียวเดี๋ยวเหนื่อยคนฟังอะไรเหนื่อยก่อนหลวงพ่ออืออ้าวโบเป็นไงเป็นไงจิตเป็นไงบ้างโบ อือ๋อเนือคาพูดอธิบายไม่ถูกนะเนือสมมุติ <c ười> บัญญัติกิเลสเกิดใยไหมดีละกิเลสเกิดใยใยดีนะหลวงพ่อชอบมากเลยลูกฝึกที่กิเลสเยอะๆนะลูกฝึกคนไหนจิตว่างตลอดไม่นิยมเลยนะถ้ากิเลสเกิดใยใยดีเวลากิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะั่นคือเรามีสตินั่นเอง จิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลดีนครูเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านไม่ใช่สอนว่าห้ามมีอกุศล ร, รู้สึกเป็นยังไงตอนนี้อตอนนี้ก็พยายามจะม่เเพราะว่าแต่ก่อนสมถะตอนนี้สถาวรไหนเกิดจะดูทุกสภาเวลาดูนะดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ถลาเข้าไปดูของโยมยังถลาเข้าไปดูรู้สึกไหมคล้ายๆเราดูโทรทัศนะ์นะใจเราไหลไปอยู่ในจอ นะเนี่ยใจของเราก็าไหลเข้าไปดูนะให้รู้ทันตรงนี้นะของโยมอะายุรู้ทันตรงนี้หน่อยมันจะพัฒนาเองแต่ถ้าโยมเล่นถล่มลงไปดูเรื่อยๆไม่เกิดอะไรขึ้นจะเพ่งลูกเดียวกลายเป็นการเพ่งจิตขึ้นมาอะ้าวจูนส่งกันบ้านหน่อยเออพระพุทธเจ้าก็ว่ายอย่างนั้ น, นลเลยอืม เออดีแล้วมันเท่าๆกันแหละหนึ่งต่อหนึ่งเผลอหนึ่งก็รู้หนึ่งทำอะไรไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเผลอเป็นอกุศลทันทีที่สติระลึกได้ว่าเผลอไม่เผลอละแต่การเพ่งมันไม่ใช่อกุศลมันเป็นการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองหรืออัตตะกิลมัฏฐานโยกเนี่ย อธกถาท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งนะว่าปุญญาพิสังขะความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่ว่าปรุงแต่งฝ่ายดีก็จะได้เป็นคนดีนะไม่นิพานออกคนละเรื่องกั น, อนอก เ, เ อ, ออย่างงั้นใช้ได้มันแสดงว่าเพ่งน้อยลงเพ่งสั้นลงน <ะ S 2> โดยธรรมชาติก็คือพอเรารู้ว่าเผลอปุ๊บขนาดที่เผลอจิตเป็นอกุศลขนาดที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นมันจะกลัวเผลออีก ก็เลยไปเพ่งไวหมนะถ้ารู้ทันมันจะเพ่งสั้นลงสั้นลงสัง เ, เกตไหมตอนที่เพ่งใจก็ทื่อๆ อ, อ, อย่างงั้นนะไม่เกิดสติปัญญาอะไรออานั้นะหนูส่งกันบ้านเลยโอ้ดีที่เห็นนะเมื่อก่อนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีหลายคนนึกว่าปฏิบัติมาบนใส่หลวงพ่อนะบอกว่ามาปฏิบัติแนวหลวงพ่อแล้วกิเลสเยอะกว่าเก่านะี แต่ก่อนก็มีกิเลสจะไม่เห็นไงทีนี้โดยตัวธรรมชาติเองของความเป็นขันเนี่ยนะเป็นทุกข์โดยตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์โดยตัวสภาวะของมันเองอันที่สองถ้าจิตมีตัณหาขึ้นมา มีความอยากขึ้นมาเข้าไปยึดอารมณ์ก็จะเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์แนวอริยสัจนะเป็นทุกข์เพราะความยึดถือตัวมันเองก็เป็นทุกข์นะถ้าไปยึดอะไรก็เป็นทุกข์อีกตัวมันเองก็เป็นของทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดนหนึ่งนี่ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกขลักษณะใช่ไอีกอันหนึ่งก็เป็นทุกขเวทนาทุกมีเยอะนะทุกมีตั้งหกเจ็ดตัว ตัวเขาก็ทุกเองแต่ว่าเรายังเห็นไม่ได้โดยภูมิของเราขนาดนี้ที่เราปฏิบัติขนาดนี้เราจะเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เราเห็นได้แค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตยังมีสองชนิดคือจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์เมื่อยังมีจิตสองชนิดให้เลือกเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนให้จิตมันไม่ทุกข์เนี่ยจะเกิดการทํางานขึ้นมาถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะเราจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ ไม่มีตัวทุกข์กับตัวสุขนะมีแต่ตัวทุกข์ตัวเดียวล้วนๆเลยถึงจุดเนี้จะยอมปล่อยวางความยึดถือจิตะมันปล่อยเพราะว่ามันเห็นทุกข์เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์สอนไว้ไปเลยไปเลยเออไปเลยพอๆนะไปเลยนะเอาอยา ก, กันยุงไปด้วย ที่นั่นขึ้นชื่อลือชาอยู่เยอะนะเมื่อสองสาวันนี้ก็มีหมอคนหนึ่งมานะกับเพื่อนกับผู้หญิงทั้งคู่เลยเพิ่งไปบุญญาวาสมาภาวนาดีขึ้นนะบอกว่าเห็นแต่ความกลัวเนะขาจุดเทียนปักไว้หน้ากุฏิเล่มหนึ่งท้ายกุฏิเล่มหนึ่งกลางคืนเดินจงกรมรอบกุฏิก็นะนะนอนเหมือนกันแนะแต่ว่าตอนเดินเนี่ยพอถึงตอนที่สว่างนะใจมันดีใจ นะพอเข้าที่มืดนะ้มันกลัวกแล้วเห็นใจที่กลัวนะพอไปถึงท้ายกูตีดีใจอีกแล้วสว่างเนะียเห็นสั่จิตที่มันเปลี่ยนอยู่เงี้ยนะ <c oughs> ตกกลางคืนกออ็ใครมันขึ้นบันไดมานะนะตุ๊บตุบตุขึ้นบันไดมาแล้วนะใครเคยไปบุญเยาว่าจะรู้รสชาตินะ <c oughs> ไม่ใช่ผีนะตุ๊กแกตุ๊กแก <c oughs> อยู่ในป่าจริทีอะไรก็แปลกแปลก อย่างเรานั่งอยู่ในปานนาานานะ่าเนี่ยบางทีพระจันทร์ก็สว่างเราเห็นหญ้านะคงหญ้าเนี่ยแหวกเป็นทางมาเลยนะตรงมาเลยตรงๆมาแม้เห็นแล้วเสียวนะจริงมันมีลมนะลมแบบประหลาดปลาดลมลูกเล็กๆไม่ใช่ลมลูกโตๆนะลมลูกเล็กๆแค่นี้ยมันวิ่งแหวกต้นไม้ได้เนี่ยสนุกมากนะพยายามไปอยู่พระเจ้าสอนว่าไปเลยนะ นั่นโคนไม้นันเรือนว่างนันป่าไปเพื่อไปคอยดูใจเรานะที่ผ่านมาเราปฏิบัติแต่ในห้องแอร์กูโลมด้วยนะเพราะเราเดินจงกลมก็สบายแล้วบอกจิตเราสงบเพราะมันไม่กลัวอะไรสักอย่างนะเราไปดูของจริงจงต้องไปต้องไปสัหน่อยแล้วกำลังจะได้เพิ่มนะจะรอให้มีกาลังมีกาลังแล้วจะไปทำไมนะ ลองไปสู้นะไปอยู่คนเดียวในป่ากลางคืนตรงนั้นไม่มีผู้ร้ายที่รุ่งสีเป็นไงที่รุ่งสีไม่เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าการเร็วลงและดีขึ้นเนี่ย ถ้าเราดูเป็นวันๆนะเราจะงงเราต้องดูเป็นรายไตรมาสแบบสภาพพัดเขาดูนะการปฏิบัติอะอย่าดูเป็นวันๆดูเป็นวันๆจะงงเพราะวันนี้เจริญวันนี้เสื่อมวันนี้เจริญวันนี้เสื่อมถ้าเราดูรายไตรมาสเราจะเห็นพัฒนาการเราจะเห็นว่าสามเดือนนี้ดีกว่าสามเดือนก่อนจะเห็นอย่างนี้เพราะฉะั้นการขึ้นขึ้นลงลงมันจะไม่ได้ขึ้นขลงลงแบบนี้ไม่ใช่เป็นกราฟคงที่อย่างนี้แมันจะขึ้นลงอย่างนี้ แม่มันรู้รู้จริงๆนะไม่ใช่เรื่องคิดเอามันเทียบของตัวเองได้นะลองเทียบของเราเองลองนึกดูวันนี้กับเมื่อสามเดือนก่อนแล้วไม่เหมือนกันหรอกอย่าดูรายวันดูรายวันแล้วงงแล้วกล้องเป็นไงกล้อง จิตด้วยการเล่นหมักร้อมมีอะะไรน ส่วนใหญ่เป็นสั ต, ตว์คื อ, คอบางทีมันหลอกเราสารพัดเลยนะในป่าเนี้ยเสียงมันบางทีไกลๆนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็มีสารพัดสัตว์เลยที่นั่นอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใหม่ส <c oughs> มัยก่อนเราจะมาไปกินมักเป้งกินมักเป้งแต่ก่อนนะ่ะขึ้นชื่อเลยผีดุโอ้บางทีปิดเปรตนะตัวสูงรี่วเลยร้องกรีดกลางคืน ได้วิ่งกันบ้างแหลนะเนาะบางทีมันก็กว้างหลังคาคุติอไดไ้เปรดนะนะมันร้องกรี๊ดกรี๊กนะกลัวๆนะเอาไปฉายไปด้วยไปส่องมันที่แท้ต้นยางนะสูงริ้วเลยไอ้นกอะไรตัวนิดเดียวอะไปร้องอยู่บนยอดมัน <c oughs> ส่วนไอ้ผีกว้างคุติอะไอ้ตัวกระรอกแล้วแล้วนอนอยู่นอนยาวนานุิพอตื่นขึ้นูน อ, อ, นอไม่เป็นไรนะดี อาจจะดิ้นก็ได้เขาอาจจะจับหวางก็ได้ <c oughs> จริง ๆ, ๆผีมันก็มีนะแต่ว่าแถวนั้นไม่เป็นไรพวกสัมมาทิฏฐินะอย่างคนไหนตั้งสัจจะไม่นอนนะบางบางวัดนะ่ะไม่นอนเขาลงไปนอนนะ่ะถูกตบไม้กระดาษนนะ่ะเด้งเลยเขาเขาช่วยให้ภาวนานะเรื่องผีไม่เอาแล้วนะ เอออืมใช่สินะถ้าเรารู้ด้วยปัญญา เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันสงบนะสมถะต่างหากเราฝึกเพื่อให้สงบแต่วิปัสสนานะฝึกให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้วันหนึ่งก็จะเห็นเลยจิตไม่ใช่เราหรอกแล้วไงอีกเออดีนะหลวงพ่อชอบรูฟิีกิเลสเยอะดีใช่งูกระยุง ยุงน่ากลัวกว่างูอีกเมื่อไม่กี่วันนี้นะท่านจะมาเยี่ยมหลวงพอ่อดีหลวงพ่อไม่อยู่แม่เสียดายท่านมากําแพงแสนนะแล้วท่านก็โทรศัพท์มั้งติดต่อหลวงพ่อไม่ได้โมไปต่างจังหวัดซนะลูกศิษย์ก็บอกว่าช่วงนี้ปิดวัดเนี่ยท่านบอกไม่เป็นไรถ้าอยู่นะปิดวัดแล้วท่านจะบุกเลย หลวงพ่อไปโน่นไปหนองคายงานหลวงปู่เหรียนน่ะเขาถ่ายรูปพระธาตุของหลวงปู่เหรียนน่ะสวยมากเลยเส้นผมท่านก็รวมเป็นแก้วละเส้นผมหนังริมฝีปากท่านหน้าหนามันลอกอะไรเงยก็ เ, เป็นแก้วอะไรละเป็นรวมเป็นพระธาตุอ่ะอ้าว แว บ, บแรกเท่า น, นั้นเองถัดเจอนั้นก็ปรุงแต่งใหม่ล้ข้อที่เหลือที่ตามมาีบอกว่าเหมือนกับรู้บางสนไม่ใช่ลข้อที่ครับที่บอกว่าตัวเราว่ามีเราอยู่จริงๆนะมันคือความรู้สึกว่ามีตัวเราที่แ้มันเป็นความคิดเท่านั้นเองเพราะว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละความเป็นตัวเราเพราะตัวเราไม่มีจะให้ละแต่เราละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา ความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็คือสักยัตทิฏฐิหนึ่งชื่อมันก็บอกเราเป็นทิฏฐิเป็นแค่ความคิดความเห็นซึ่งมันถูกรู้ได้ถูกรู้ได้สิถ้ามันถูกรู้ได้มันก็ละความเห็นผิดแต่จุดสําคัญนะตึกตึกต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้จิตตึกมันยังไม่หลุดออกจากความคิดนะรู้สึกไหมแล้วอแล้วมันยังประคองไว้ด้วยรู้สึกไหมมันเล่นสุดต่งสองข้างเลยอ่ะอเออดูไปเลย เนี่ยใจหนีไปแล้วทราบไหมใจหนีไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเออเห็นรถไฟฟ้าแล้วรู้โลกปัจจุบันนะไปอาคุณผู้หญิงนี่ คือกรุณาเนี่ยนะความการุณาสงสารเขาอยากให้เขาพ้นทุกเนี่ยเป็นกุศลความสลดหดหูใจนะเป็นอกุศลกุศลและอกุศลในี่ใกล้เคียงกันทําไม่ได้ไงถ้าทําได้เป็นอัตตาไม่ใช่นัตตาสิ่งที่ทําได้ก็คือตามรู้ไปตามความเป็นจริงเห็นแว บ, บแรกมีความการุณาอยากให้มันพ้นทุกนะแต่ต่อมารู้แล้วไม่พ้นแน่เลยจิตสลดลงไปแล้วจิตฟลิกเป็นอกุศลละมีสติรู้ทัน นะมีรู้ทางของตัวเองที่ออทดีแล้วดูไปนะไม่ต้องดีตลอดนะเป็นไงบ้างมวัวแต่สร้างวัดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่ไปช่วยสร้างวัด มันธรรมดานะเวลาเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่กับงานนะเมื่อจิตใจเราไปอยู่กับงานไปอยู่กับเรื่องราวที่คิดเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะแต่ว่าพอทํางานไปแล้วมันไม่สมใจเราเนี่ยนะเราไม่พอใจหรือเราเสียใจอะไรเราก็คอยรู้ทันนะรู้ทันบาง ngày าง n g ดีที่เห็นดูออกแล้วใช่ไหมจงใจดีละเออดีละมันสแสดงความเกิดดับให้เราดูนะอย่างบางทีสวดมนต์อยู่นะสวดสองสามคำก็หายไปแล้วเออนั่นแหละสะติมันเร็วขึ้นนะไม่ใช่แย่หรอก ม, มันจะไปพิจารณาทำบางนะดูมันจะหลุดจากกันป่ะนี่มันจะไม่ยอมอยู่กับโลกมันจะสนีมียไปบวชน่ะมั้งเพราะจริงๆเราสัมผัสกระทบกับโลกนะมันแว บ, บเดียวทีละแวบเท่านะแล้วก็ขาดช่วงไปจะสนใจใหม่ต้องแหมต้องคอนเซนทร์ใหม่แล้วก็อยู่ได้แว บ, บเดียวอีกเก็นไหมมันมันดับอย่างรวดเร็วเลยบังคับมันไม่ได้ โยมตอนนี้ก็ต้องทนนิดหนึ่งนะสาราเล็ก8ปที่ใหม่ตกว่านี้สามสี่เท่าคงรัาได้อีกห้าปีปลายมีนานก็อาจจะย้ายเลยก็ได้ถ้าเสร็จก็ย้ายอยู่สี่ไร่ช้าอยู่ใกล้ๆสวนเสือ คุณหมอเป็นไงคุณหมอวันนี้ดีกว่าเมื่อวานคุณบุญแล ให้ดูลงไปอย่างนี้คือเมื่อใจไปรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ได้ด้วยใจเมื่อใจเราไปรู้อะไรเข้าก็ตามเนี่ยความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะให้รู้ทันที่ความยินดียินร้ายนี้นะเมื่ออกุศลเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบมันนะอยากให้มันหายเร็วๆเนี่ยให้รู้ทันที่ใจที่ไม่ชอบเนี้ในี้สุดใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะเพนะกุศลเกิดขึ้นมาเราพอใจเรายินดีรู้ทันว่ายินดีนะความยินดีก็ดับไปอีกเป็นกลาง อ่ปู่สนเกิดขึ้นใจเรายินร้ายพอรู้ทันนะความยินร้ายก็ดับไปรู้ทันที่ความยินดียินร้ายแล้วถ้าเราไม่สนใจเลยหรือว่ามันแกล้งดีไปถ้าไม่ยอมดูเหรอหรือว่ามันดูแต่ใจไม่สนใจเองก็ไม่เอานะอย่าไปแกล้งมันนะคือเราเราไปฆ่ากิเลสตายเหมือนเราฆ่าครูเราไปคนนึงละ กิเลสก็สอนธรรมะเรานะสอนใจรักเท่าเ ท, ท่ากับกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอกุศล น, นะให้รู้ว่ามันเป็นอกุศลใจไม่ชอบมันรู้ทันว่าใจไม่ชอบในที่สุดใจจะเป็นกลางนั้นจะเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลเราจะเห็นเลยเวลาใจที่เกิดยินดีนะก็แก่งใจเกิดยินร้ายก็แก่งนะแก่งขึ้นแก่งลงไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นเลยการที่มันต้องแก่งไปแก่งมานี้ทุกข์ล้วนๆนะคุณวุดเด อ, อกไหม แขงไปแข่งมาที่ทุกข์ล้วนๆเลยสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราก็จะเห็นเลยอกุศลก็ของชั่วคราวกุศลก็ของชั่วคราวใจเป็นกลางแล้วนะพอไปใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเนี่ยใจก็ตั้งมั่นสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงเลยะพอรู้แจ่มแจ้งใจก็ว่างนะของคุณวุฒิดีละนะครับ่ของคุณบุญเลิศก็ดีขึ้นแล้วนะอย่าคิดเยอะคิดมากยากนานนะ คือทันทีที่อกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราไปรู้เข้าขนาดที่รู้เนี่ยกุศลได้เกิดขึ้นและนะ้วเมื่อเราจะเห็นเลยว่าอากุศลเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูไม่ได้มีอกุศลด้วยแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะจิตกับกุศลจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกั น, นถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นเลยอกุศลมันก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตไม่ได้มีอกุศล จิตจะเป็นครูสนเพราะมีสติอาด็อกเตอร์เป็นไงด็อกเตอร์ตอนนี้รู้สึกตัวได้เต็มที่ไหมขณะจิตนี้แล้วก็ด็อกเตอร์ดูออกไหมเราอย่างประคองไว้ ตัวเนี้ตัวนี้อุปสรรคหมายเลขหนึ่งนะตอนนี้ยยังประกอบใคยรู้ตัวนี้นะอย่างสมมุติที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราจับวามรู้สึกเราดูความรู้สึกเนี่ยรับฟัดูความรู้สึกเนี่ยมาดูดูไปเนี่ยความรู้สึกตัวที่หนึ่งเกิดูตัวที่สองตัวที่สามแล้วแต่เกิดนะมาดูดูไปเนี่ยแล้วจิตมันโล่งมันว่างเนี่ยแต่เรายังรับความรู้สึกจากภายนอกตัวนี้ถ้าปล่อยเรื่อนานเนี่ยมันมันจะตัดเข้าความว่าง คืออย่างนี้ยอมดูเราไปอีกทีนะความว่างเนี้ยก็ของไม่เที่ย ง, ดดวงความว่างก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งนะ ด, ดูไปอย่างนี้ดดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือเวลาเราดูอารมณ์นะเราเห็นมันกระดับกระดับไปแล้วถึงจุดมันจะว่างว่างเราก็ชอบไปอยู่ตรงนี้เรารู้สึกดีเราปรับใจนิดหนึง่งตรงนี้ไม่ใช่รางวัลของเราแล้วตรงนี้ก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งที่ใจไปรู้เข้าเราจะเห็นในขณะที่ว่างว่างจริงจริงว่างนิดเดียวนะถัดจากนั้นเราเริ่มคิดละนย คิดเรื่องความว่างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเนี่ยจิตไม่ว่างละให้รู้ทันเลยความว่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่คือเราไม่ได้ปฏิบัติตเพื่อเอาว่าง<ใ> น, นะถ้าเราไม่ดูความรู้สึกเราสามารถทำความว่างเมื่อเราความว่างเออตรงนั้ น, นไม่เอาอ่าอย่างนี้สมถะแน่นอนนะแต่เวลาที่เราดูความรู้สึกเนี่ยเห็นเกิดดับเกิดดับนะถึงจุดหนึ่งมันเข้ามาพักนิ่งๆว่างๆอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันเข้ามาพักเอง นะสักพักอยู่สักครู่หนึ่งมันก็ออกไปรู้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอีกนะคุณเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยนะมันจะเข้ามาว่างก็ไม่ห้ามมันนะมันจะเข้ามาพักเพราะงั้นจิตมันจะพลิกระหว่างการเจริญปัญญากับการทําสมถะมันจะพลิกไปพลิกมานะแล้วก็เห็นอย่างมันไม่เที่ยงสักอันเดียวจิตที่วุ่นวายเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ว่างๆเกิดแล้วก็ดับไปนะพอไหวไหมอย่างเนี้เดินได้ดีล้วว่างไงชาวเชียงใหม่ ให้รู้ทันว่าเราปิดคิดอยู่ไม่ใช่ไปห้ามมันนะแล้วก็ไม่ใช่ไปคิดต่อแต่รู้ทันว่าเรากำลังคิดอยู่